ในการที่เรามาพบปะเจอเจอกันนั้นเราก็มาฝึกในการที่จะปฏิบัติธรรมการฝึกปฏิบัติธรรมนั้นท่านฟังอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้เวลาไหนก็ทำได้เหมือนกันอย่าพูดถึงเวลาที่เราตื่นเลยเอาแค่ตอนนอนเราก็ยังทำได้แต่บางคนฝึกนอนให้อย่างดีถ้ายัางไม่รูกดกไหลุดได้เนะช่นว่าก่อนที่เราจะนอนแนะเรามีสติ สติมายังไงก็มากับลมหายใจนี่แหละไม่ได้ตามลมเข้าไม่ได้ตามลมออกแต่ให้มาระลึกถึงอยู่ที่เดียวพอเรามีสติระลึกถึงลมหายใจอยู่ณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเอามันสักตำแหน่งหนึ่งที่เป็นตำแหน่งที่เราจะกำหนดที่จะมารู้ว่าเอะถ้าลมหายใจผ่านตรงนี้ฉันจะต้องทราบเอาจุดที่ลมหายใจผ่านสักจุดหนึ่งเป็นจุดที่เรากำหนดรู้ว่า เราจะให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่ที่นี่จิตอยู่ที่ไหนอยู่กับลมหายใจนั่นแหละจุดที่เรามีสติสติจิตลมหายใจอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันแล้วนั่นคือจังหวะที่เรามีสติแล้วนะเราก็นอนไปเพื่อการนอนการนอนของเราตรงนั้นเราก็ตั้งจิตว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นทันทีเอาแค่นี้คุณก็ชื่อว่าปฏิบัติตามละนอนก็ปฏิบัติตได้พระเจ้ายัง ถึงการนอนแบบตถาคตนั่นคือการนอนที่อยู่ในสมาธิาเข้าชั้น12ึ่สองงัดจากการสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายอันนี้ก็ชื่อว่าการนอนอย่างตถาคตเป็นการพักผ่อนอย่างดีในสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงอิริบดอื่นๆเลยขณะนอนเราก็ยังทําได้เพราะฉะนั้นอิริบดอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรากินข้าวอยู่การกินข้าวเนี่ยแหมยิ่งปฏิบัติทําได้อย่างดี เราจะเห็นจิตของเรามันว้าว ว, าว้าวขึ้น ว, ว้วาววลงนั้นตลอดเวลาวอันนี้ฉันเคยกินอันนี้ปนกับอันนี้มันน่าจะอร่อยนะ่ะกินไปปากก็พูดไปด้วยนะอะไรก็กระเด็นเข้ากระเด็นออกอยู่เนี่ยหละอันนั้นยังไม่ปฏิปทาธรรมนะ่ะคือเราปล่อยจิตของเราให้เพลิดเพลินไปตามสัมผัสแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไปหาของที่เราไม่ชอบมากินอุ๊ยอันนี้ของฉันชอบฉันกินไม่ได้ก็ไม่ใช่กัอย่างนั้นการฝึกเนี่ยท่านฟัง มันฝึกในจิตของเราหนะาจิตของเราอยู่ที่ไหนหนะสัมผัสกับอะไรณนะขณะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติได้ทันทีนะแนาเราก็ไม่ใช่เรื่องเครียดครัดที่จะทําให้ใจมันหดหูโอ้อันนี้ก็ต้องเอาเจอของที่ไม่ชอบไม่น่าพอใจถึงี่เป็นการฝึกปฏิบัติก็ไม่ใช่อย่างนั้นหนาะคือไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวหนาะคุณเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจคุณอดทนเอาหนาะคุณยังมีความอดทนมี ความสงบส ง, งยมอยู่ได้อันนั้นก็คือการฝึกปฏิบัติเหมือนกันคุณเจอสิ่งที่ชอบใจมีอาหารอร่อยๆให้เรากินนะเราก็ไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินกับหนัดไปในสิ่งนั้นอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมแล้วนะมันทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายที่เราชอบทั้งฝ่ายที่เราไม่ชอบนะฝ่ายเจอสิ่งที่เราชอบนะก็ไม่เพลิดเพลินยินดีไปสิ่งนั้นเจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่ขยะกขยงเกลียดชังในสิ่งนั้น ทำใจยังไงให้ใจมีสติเจอลาบเจอยศเจอสรรเสริญเจอสุขพวกนี้ก็ไม่ยินดีในสิ่งนั้นยินดีในหมายความว่าไม่ใช่ว่าไปเกลียดชังนะแต่ว่าไม่ได้เพลิดเพลินไปเจอลาบเจอยศเจอสรรเสริญเจอสุขก็ไม่ได้ลุ่มหลงเพลิดเพลินไปเจอความเสื่อมลาบเจอความเสื่อมยศเจอนินทาเจอทุก ก็ไม่ได้ขยะกขยงยินร้ายเกลียดชังในสิ่งนั้นนะที่ถ้าเราจะบอกว่าเออเราไม่ยินดีในลาบยศสันสนสุขเราไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาบความเสื่อมยศนินทาทุก์เนะี่ยเราไม่ยินดียินร้ายใน2 อ, อย่างนี้นั่นก็หมายถึงความว่าไม่ยินดีเนะี่ยก็หมายถึงเราไม่ได้เพลิดเพลินนะรุ่มลงไปในสิ่งนั้นรับก็ได้อยู่ไม่รับไม่ได้ก็ไม่เสียใจนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้อง สามารถปฏิบัติทําได้ทันทีแต่เราเจอสิ่งนี้อยู่ทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆุวินาทีทุกทุกวันทุกๆเวลาทุกๆวว ims, ุกๆ im, กๆวินาทีนั้นๆนั้นๆเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ทันทีการปฏิบัตินี้เป็นการปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราแต่คุณจะปฏิบัติแบบเป็นรูปแบบหรือแบบไม่ใช่รูปแบบสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาอยู่เสมอเราให้ฝึกท่านฟังแต่เรามีโอกาสฝึก อยู่ตลอดเวลาในะชั่วโมงบินเนี่ยชั่วโมงบินในะนัก บ, บินเนี่ยเขาจะมีความสามารถมีความเก่งกาจขึ้นาไหนเขาก็ต้องจุดหนึ่งที่เขานับเนี่ยคือการนับชั่วโมงบินแตนะ่ถ้าเรามีโอกาสตรงนี้อยู่ตลอดเวลาอ่ะถ้าเราใช้โอกาสเหล่านี้ในการที่จะฝึกให้เราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินไม่ขยักขยงังไม่เกลียดชังเราถือว่าเราฝึกปฏิบัติชั่วโมงบินเราสูงขึ้นแตนะคุณจะมาวัด นั่งสมาธิหรือคุณจะอยู่บ้านกินข้าวกับลูกก็ได้ทั้งนั้นดูหนังดูละครดูทีวีอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่จะทําให้จิตเรามันเผลอจิตเรามันมีช่องว่างช่องทะลุช่องขาดอยู่เราก็พยายามจะหยุดปิดกั้นสิ่งนั้นเดี๋วคือแปล ว, ว่าศีลเนี่ยเราทําให้ดีเพราะว่าการปฏิบัติในการที่จะดูแลจิตใจของเราเนี่ยทนฟั ง, งทุกอย่างมันช่องทางเนี่ยมันทะลุเข้ามาถึงใจเดี๋ยวเราจะต้องปิดกั้นสิ่งที่ มันทะลุเข้ามาแล้วมันจะทําให้จิตเราแตกแต่นะคือไม่ใช่ว่าเอองั้นเจอภาษาอะไรฉันก็ลุยเต็มที่เลยนะไปสถานที่โอโกจอไปคบกับคนชั่วอ่านั่นเ ร, เ, ร เ, รเริ่มไปไกลละเริ่มไม่ถูกละเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทําให้ดีก่อนนะคือปิดกัน้นพวกสิ่งที่มันไม่ดีที่มันจะเข้ามาแล้วมันจะทําให้จิตเราแตกได้ที่ง่ายๆขั้นพื้นฐานคือเรื่องของศีลเราต้องมีนศะีลเราต้องมีนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในการในรูปแบบต่างๆและไม่พูดโกโหกสุรามีไยหนีลเลี่ยงได้หยุดเลยนะถ้าเป็นการประพฤติสิ 8, นแปดแล้วก็การหั่นชะฮ้ามรับประทานอาหารในเวลาล่วงการไปแล้วนะหรือรวมถึงการไม่ดูกรารเล่นันเป็นค่าสแกกุศลธรรมนะการที่ไม่ประดับประดาทัตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปไร้รูปทานในฐานะแห่งการแต่งตัวนะรวมถึงกัน ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อันยัดด้วยสัมฤทและนุ่นถ้าเราปิดกัน้นสิ่งเหล่านี้ได้ศีลนะระดับใดระดับหนึ่งนะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเออภาษะที่เหลือตรงนั้นแหละเป็นจุดที่สมควรจะปฏิบัติเอาแค่ว่าเรารักษาศีลให้ดีนะเจอภาษาทุกวนันทุกวันนี้ยท่านผู้ฟังมันก็ทําให้จิตของเราขึ้นขึ้ น, นลงลงวันไหววันไหวไปตามสิ่งที่มากระทบ แย่พอแรงอยู่ละไอภาษาที่มากระทบเนี่ยนะ่านผู้ฟังพระเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับ อ, อยู่ในป่าเนะ่ยเหมือนสัตว์ป่าอยู่ในป่าเนี่ยยังมีความพยศนีมีความเสพผิดดิ้นรนเวลาที่มันอยู่ในป่านะภาษาเหล่านี้แหละเปรียบเสมือนสิ่งเหล่านั้นเวลาที่สัตว์ป่าเหล่านั้นถูกนําออกมาที่แจ้งนะที่ราบโลง่งนะพระราชาเขาจับสัตว์ป่ามาเนี่ยเพื่อที่จะ เตสงครามในในการลบเป็นช้างป่ามา้าป่าในะที่จะฝึกเป็นกองพลของตัวเองเนี่ยเขาไปจับมาแลนะเขาก็ต้องฝึกนะเพราะตอนฝึกเนี่ยเขาออกมาในที่โล่งแจ้งเหมือนก็ยังมีสัญชาติแห่งความพยศของมันนะพูดไม่ฟังให้ยกไม่ยกให้ทําไม่ทำํำในะมีความเสพผิดดิ้นรนแตนะ่ตรงนั้นก็คือเปรียบเหมือนกับยังอยู่ในป่านะกายออกมาจากป่าอยู่แต่จิตใจมันยังอยู่ในป่าอยู่ เป็นป่าป่าแบบที่ว่าเป็นป่าของผัสสะเป็นป่าที่จะได้รับความกระทบกระเทือนยังมีความคิดที่เป็นอกุศลถ้าเปรียบกับในธรรมวินัยใ น, ในอริยวินัยนี้คําว่าป่านี่ก็คือหมายถึงพวกนิวรณ์อกุศลธรรมเราอยู่ในดงในป่าของอกุศลมีผัสสะมากมายคนนั้นด่าคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นคนนี้ก็โกงคนนั้นก็ทําชั่วโอ้เจอภาษาที่ไม่ดีอันนี้คือ เหมือนกับป่าทีนี้พอกายออกมาจากป่าเช่นมางคลออกจากหมู่บ้านของตัวเอง น, น, นั้นเปรียบเสมือนป่านะเข้ามาอยู่ในวัดนวัดเนี่ยหรือว่าสถานที่ที่สงบสถานที่ที่สงบสถานที่ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ที่เงียบสงัดะตรงนั้นเนี่ยเปรียบเหมือนกับออกมาในที่แจ้งละนะกายวิเวกอยู่แต่ว่าจิตอาจจะยังไม่วิเวกจิตอาจจะยังมีนิสัยเหมือนกับสัตว์ป่า ที่อยู่ในป่าอยูนะ่เราต้องทำจิตให้วิเวกด้วยบางคนกายออกแต่จิตไม่ออกอกายออกก็คือหมายถึงออกมาจากความเป็นป่าป่าแบบสัตว์ป่านะคือมาอยู่ในที่สงบสงัดละนะไอ้ที่ที่คนกลื่นกลนคือทึกๆึโครมมีเสียงนั่นนี่โน่นมีลมเข้าออกจากที่เกิดจากคนเข้าคนออกนะเราก็หลีกเลี่ยงออกมาจากสถานที่แบบนั้นนะกายออกละ จิตก็ต้องให้ออกด้วยเหนือจิตให้ออกก็คือจิตท <t ục> ี่ไม่มีเรื่องความคิดในทางกามไม่มีความคิดในทางพยาบาทไม่มีความคิดในทางเบียดเบียนนั่นคือจิตเนี่ยให้น้อมไปในทางที่จะหลีกออกจากการมน้อมไปในทางที่ไม่พยาบาทน้อมไปในทางที่คิดจะไม่เบียดเบียนจิตนั้นก็ชื่อว่าออกจากป่าของปัสสะออกจากป่าของอกุศุลธรรมด้วยถ้าเราฝึก ถ้าอย่างนี้กายออกฉีดออกนี่ดีมากแต่ทีนี้ในความเป็นฆราวาสความที่ต้องทําการทํางานเนี่ยกายบางทีออกมาไม่ได้นะกายออกไม่ได้ต้องอยู่ในบ้านต้องทํางาน เ, าเลี้ยงชีพต้องเลี้ยงดูลูกต้องเลี้ยงดูสามีภรรยานะไปทํางานไปเรียนหนังสือนะขึ้นรถก็เจอผัด ส, สะนุ่นนี่นั่นละนะลงรถก็เจอผัด ส, สะอีกแล้วนะมันหลายอย่างหลายแบบเนี่ยท่ฟังเราก็ต้องฝึกให้จิดของเราเนี่ย ถึงแม้จะอยู่ในที่รกชัดรกชัดแห่งผัรษะต่างๆและมีอคุรธรรมเกิดขึ้นบ้างตรงนั้นตรงนี้เมื่อกายเรายังไม่ออกแต่จิตของเราฝึกให้ออกได้แต่พระเจ้าก็ยังเปรียบเทียบถึงมีบุคคลอีกประเภทหนึ่งนั่นที่เรียกว่ากายไม่ออกแต่ว่าจิตออกหนันกกายไม่ออกก็คือหมายความว่ายังอยู่ในที่ที่มีคนมากใ น, นเกลือนกลมไปด้วยมนุษย์ มีภาษาต่างๆมีเสียงอือก็คือโครมบ้างนะคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นนะมีลมที่เกิดจากการเข้าออกของคนผิวกายคนอยู่ลนะแต่ว่าถ้าจิตใจนะออกได้นะคือเป็นจิตใจที่ออกจากความคิดในทางการนะมีความโน้มไปในทางไม่พยาบาทมีความโน้มน้อมเอียงไปในความไม่เบียดเบียนเอออย่างนี้เรียกว่าจิตออกนะเราฝึกจิตของเราให้เป็นจิตที่อย่างน้อย น้มเอียงไปในทางที่เป็นกุศลและธรรมสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยท่านฟังบางที่เราเลือกไม่ได้บางที่เราเลือกเกิดไม่ได้ในะเรื่องเกิดนี่เป็นเรื่องยามกันนะบางคนบอกว่าฉันเลือกเกิดได้แตนะ่ฉันเลือกชีวิตของฉันได้ใช่อยู่นั่นคือหลังจากที่คุณเกิดมาแล้วแตนะจริงๆแล้วสมมติว่าก่อนเราตายเนี่ยถ้าเราทําความดีพอสมควรนะอย่างคนทําความดีรักษาศีลเจริญสมาธิให้ทานพวกนี้คุณพอจะเลือกเกิดได้ พอจะเลือกเกิดนี่คือหมายถึงเลือกเกิดในบริเวณที่เป็นกุศลธรรมได้อย่เช่นมนุษย์เทวดาหรือว่าพรหมขึ้นไปหรือว่าถ้าเราทําความชั่วทําความบาป ท, ทำความผิดเราก็พอจะเลือกได้ว่าเราจะต้องไปนรกกาหนดเดรัจฉานเปรตวิสัยแน่เพรา ะ, ะนั้นไอการที่จะเลือกเกิดเนี่ยถ้าจะบอกว่าเลือกไม่ได้เลยมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าจะบอกเลือกได้เป๊ะๆฉันจะเกิดเป็นคนนั้นคนนี้อยู่ในภพนั้นภพนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นแต่เราเลือกพอที่จะได้ว่า เราจะไปโซนไหนบริเวณไหนอันนี้พอได้อยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใชา่ก่อนเราเลือกอะไรแต่น่าจะเลือกดีพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นเราคงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่งั้นคงพูดฟังกันไม่รู้เรื่องไม่งั้นคงไม่ได้เกิดมาในสมัยที่ยังมีคําสอนของพระเจ้าอยู่แต่ว่าในสมัยนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะเป็นพระสงฆ์ก็ตามจะเป็นอุบาสกอุบาสิ ก, กาชายหญิงอาจจะไม่ใช่คนพูดพึ่งมาฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง หเราเกิดเป็นมนุษย์นะแค่นี้เราก็โชคดีมหาศาลแล้วแล้วยังเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมีคําสอนที่ยังลงเหลืออยู่มีคําสอนที่เป็นพุทธพจน์และมีหลักฐานที่แน่นอนคุณไปอินเดียเห็นสถานที่ต่างๆเออนี่ยังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ณที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาก่อนอยู่ในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีเหตุปัจจัยในความเกิดเป็นมนุษย์ก็ตาม เห็นปัจจัยในความที่เกิดมาแล้วยังมีคําสองพระเาอยู่ก็าตามนถือว่าโชคดีมากๆเลยนะนะโชคดีคําว่าโชคดีเนี่ยในทางคําสองพระเจ้าก็คือว่าคุณไปแล้วด้วยดีนะไปดีมาดีอย่างพระเาเนี่ยเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีก็คือหมายถึงว่าโชคดีนั่นเองไปตรงไหนมันดีแน่นอนนะดียังไงดีตรงที่ว่ามีการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นสุจริตนั่นคือดีแล้ว เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านฟังถือว่าเราโชคดีแล้วนะบางคนอจะคิดว่าโอ้ฉันจออกจากบ้านจริงจกทักโอ้วันนี้จะโชคร้ายโอ้วันนี้อู่ิก้าวเา้าเท้าวขวาออกจากบ้านก่อนลืมไปมันมีคนทัก ว, ว่าต้องก้าวเท้าซ้ายดูรถติดอะไรติดเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั่นะบอกตัวเองเป็นความโชคร้ายไม่ถูกท่านผู้ฟังไม่ถูกนะเราโชคดีมากแล้ว ท, ที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในสมัยที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้า นั่นคือสิ่งที่โชคดีเพราะว่าเราสามารถทําความดีได้เรายังเห็นตัวอย่างของการทําความดีจากคนอื่นๆหนั ง, นงขาวในหน้าหนังสือพิมพ์อาจจะบอกในอีกลักษณะหนึ่งมีข่าวไม่ดีมากกว่าข่าวดแีแต่ว่าสิ่งที่ดีๆเราก็ยังมีอยู่ขับรถไปบนถนนยังมีคนหยุดให้คนข้ามยังมีคนเปิดทางให้คนแทรกแต่ยังมีคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในท้องถนนยังมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามสถานที่ต่างๆ เราเห็นได้อยู่นั่นคือการปฏิบัติธรรมตัมดฟังการปฏิบัติธรรมไม่ได้เหินห่างจากใจไม่ได้เหินห่างจากปัสสะไม่ได้เหินห่างจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเลยยังมีอยู่ยังเห็นได้อยู่เราทําเราทําที่ไหนทําตรงไหนนั่นคือโชคดีแล้วเราทำความสุจริตทางกายสุจริตทางวาจาสุจริตทางใจที่ไหนที่นั่นเป็นที่ดีขึ้นมาทันทีแต่สถานการณ์มันจะแย่จะร้าย จะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่มันมีทั้งนั้นแหละบางที่บรรยากาศมาคู่บรรยากาศแบบโอ้อึมครึมมีแต่สิ่งไม่ดีเราทําดีขึ้นมาเราจะทําได้เราต้องต้องมีกําลังใจนะเัง่อนกำลังใจเนี่ยสำคัญความห้าวหาญความกล้าการทําจริงนะให้มีอยู่ในใจของเรานะต้องกล้าในการที่ทําสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่กล้าบ้าบินนะกล้าในการที่ทําสิ่งที่ถูกต้องเขาทําชั่วทําผิดกัน เรากล้าทําสิ่งที่ถูกต้องเราทําให้จริงในทำจริงในที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องขมวดคิ้วตึงๆทําแข็งๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นในแต่ทําทอย่างก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติทําอย่างเป็นธรรมชาติเป็นยังไงธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ท่านฟังเจะต้องเป็นคน ท, ที่ที่เรียกว่าไม่ฆ่าสัตวนะ์ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เขาออกกฎหมายว่าคุณฆ่ากันได้ตามสบายไม่มีเพราะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่จะไม่ฆ่ากันนะไม่ว่าจะเป็น ใครหลักฆ่ามนุษย์นี่ก็คือไม่ได้เลยนะฆ่าสัตว์บางประเภทนะเขาก็อนุ ญ, ญาตยอย่างห้ามฆ่าสัตว์ป่าบางประเภทนะเขาก็ห้ามลนะการโกโหกนี่ก็ไม่ได้ไม่มีนะไม่ใช่ธรรมดาของมนุษย์การโกหกนี่การไม่โกหกนี่เป็นธรรมดาของมนุษย์นะศาลก็ยังสั่งจับผิดนะคนนี้โกหกศาลคนนี้ให้การเท็จเอาคุณไปอยู่ในคุกเขายังมีบทลงโทษเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราโกหกกัน เพะการโกหกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาของมนุษย์น่านฟังการโกหกเป็นสิ่งที่ที่ผิดปกติของความเป็นมนุษย์เพราะเราไม่โกหกเราพูดความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคําพูดมีคําพูดควรเชื่อถือได้นั่นแหละคือธรรมดาของมนุษย์หาเราไม่ประพฤติผิดในการมในรูปแบบต่างๆถึงจะถูกเป็นธรรมดาของมนุษย์การไม่ประพฤติผิดในสามีหรือภรรยาของคนอื่นที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วรวมถึงการที่ ไม่รักษบของคนอื่นด้วยซ้ํำเป็นปกติที่เราจะต้องมีเป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ถ้าเรารักษาความปกติธรรมดาของมนุษย์ตรงนี้ได้เราจะรักษาใจของเราให้มีความปกติได้ใช้ของเราที่ปกตินั้นก็คือมีใจอันบริสุทธิ์เรารักษาศีลได้กายวาจาเราก็บริสุทธิ์นั่นรักษาใจได้ด้วยนมโนนิจของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นสุดจริตขึ้นมานั่ น, นแหละความโชคดี เกิดขึ้นแล้วความโชคดีเกิดขึ้นในกายในวาจาในใจของเราทันทีเราโชคดีในทันฝั่งเราไปไหนที่ไหนมันก็ดีนรอาจจะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจบ้างอันนั้นไม่ใช่ความโชคร้ายอันนั้นคือผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราอาจจะเจอสิ่งที่เราพอใจบ้างอันนั้นไม่ใช่ความโชคดีอันนั้นคือผัสสะที่น่าพอใจความโชคดีอยู่ที่เราทำหาเรามีกายวาจาใจอันเป็นสุจริต นั่นคือความโชคดีนะภัสสที่น่าพอใจอาจจะเกิดขึ้นนั่นไม่ใช่ความโชคดีนั่นเป็นภัสสะที่น่าพอใจนะภัสสะกับความโชคดีความโชคร้ายไม่เหมือนกันณนะตรงที่ว่าภาัสสะนั้นเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาเขาสร้างขึ้นมาแลนะเป็นสิ่งที่เราไปพบปะเจอเจอทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ถ้าจิตของเราณนะสามารถควบคุมกายและวาจาของเราให้ทําดีได้นั่นคือความโชคดีของเราณนะเราจะอาจจะ เจอภาษทาที่ไม่น่าพอใจบ้างมันธรรมดานะท่านผูฟังในโลกนี้ในสังสารวัตนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าพอใจก็มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีมันต้องมาคู่กันมันมาคู่กันแ네 น, น่นอนแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเออชีวิตฉันปรารถนาให้มีแต่สิ่งที่น่าพอใจแล้บางคนอาจจะคิดว่าเออชีวิตฉันมีสิ่งที่น่าพอใจมากกว่าสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะเรื่องสัดส่วนมากน้อยนะมันแล้วลแต่บุญแล้วแต่กุศลที่เราสร้างมาธรรมดานั่มันธรรมดา บุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยไม่เท่ากันทำให้สัดส่วนที่เราเจอผัสสะที่น่าพอใจผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากน้อยมันก็ไม่เท่ากันถ้าเราทำความโชคดีในใจของเราให้เกิดขึ้นแต่การสร้างสุจริตทางกายวาจาใจนี่นั่นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนทานฟังเราสร้างบุญสร้างกุศลเราจะเจอผัสสะที่น่าพอใจมากขึ้นเจอภัสสะที่ไม่น่าพอใจลดลงไอ้ลดลงตามส่วนเนี มันอาจจะปรากฏผลในเวลาต่อไปในเวลาต่อไปต่อไปอีกหรือในปัจจุบันแตนะ่สัด ส, ส่วนการให้ผลของมันตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมหลายอย่างเหมือนกันอันนี้ยากที่จะให้คําตอบได้แต่ที่แน่ๆระบบการทํางานของมันเป็นอย่างนี้ท่านฟังเป็นอย่างที่บอกนี่แหละว่าภาษาที่น่าพอใจภาษาที่ไม่น่าพอใจแตนะ่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตเรามันเกิดขึ้นแน่แตนะ่ต่อให้คนที่มีความสุขในชีวิตนํามาก คือมากก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความทุกข์มีอยู่แต่สัดส่วนในการราอ่องความสุขกับความทุกข์ในชีวิตของเขาน่าจะมากน้อยไม่เท่ากันถ้าเราต้องการความสุขในชีวิตมากความทุกข์ในชีวิตน้อยภาษาที่น่าพอใจมากกว่านําภาษาที่ไม่น่าพอใจน้อยกว่าเราคุณทําสิ่งที่ดีนั้นเป็นบุญเป็นกุศลที่คุณสร้างส ม, ม่ะเราจะทํายังไงให้บุญกุศลเรามากขึ้นเราทําความโชคดีณปัจจุบันนี้นั้นโดยการสร้าง กายวาจาใจให้เป็นสุจริตตื่นเช้ามาวันนี้เลยตั้งใจตั้งใจท่านผู้ฟังทําให้จริงว่าฉันจะทําสิ่งที่ดีไม่ด่าใครไม่ว่าใครไม่บน่นไม่กินมากไม่กินจุบกินจิบกินให้น้อยนะรักษาศีลให้ดีนะไม่ฆ่าสาัตว์ไม่ลกักทรัพย์ไม่ร บ, บิดในการหลายคนทําได้อยู่แล้วนะเรื่องที่ละเอียดละเอียดเกินไปนั้นะด่าว่าคนอื่นนินทาคนอื่นเลิกเอาอย่างน้อยวันนี้ ฉันทำดีในกะรักษาวาจาฉันให้ดีมากขึ้นรักษาใจฉันให้ดีมากขึ้นอย่างน้อยในวันนี้ในะตอนกลางวันแล้วนะก็นั่งสมาธิสักสินาทีสิบนาทีในะระหว่างล้อลิฟต์อยู่กำหนดรู้ลมาหายใจรังรถติดอยู่ขึ้นโดรถโดยสารอะไรต่งตางๆไปแล้วนะให้มีสติอยู่ไนะห้ฝึกูฟั ง, งตั้งใจทําให้จริงแน่ ว, แ น, วแน่จริงนี่คือความโชคดีของเราเราทําความโชคดีให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างนี้ เราเลือกได้นะไม่ใช่เพราะคนอื่นมันเลือกให้เราในชีวิตของเราเนี่ยท่านผฟังถ้าเราไม่เลือกทางเดินของเราเองคนอื่นเขาจะมาเลือกให้คุณถ้าคนอื่นเขามาเลือกให้คุณคุณคิดเหรอามันจะดีสําหรับคุณมันอาจจะไม่แน่แต่ถ้าเราเลือกให้ถูกเลือกให้ดีเลือกในการที่จะต้องทําสิ่งที่ดีอันนี้คือโชคดีของเราสมมุติถ้าเข า, าบังบังคับให้เราเลือกทําสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมไอ้บาปที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดกับเรานะมันไม่ได้เกิดกับเขา เกิกับเขาก็ส่วนหนึ่งด้วยเกิดกับเรามันยังเกิดอีกเขามันบังคับให้เราโกงบังคับให้เราฆ่าบังคับให้เรารักบังคับให้เราทําสิ่งไม่ดีให้ด่าให้ว่าเอาเงินมายัดแล้วแล้วก็ให้เราพูดโกหกอย่างงั้นอย่างนี้ไอบาปที่เกิดขึ้นเกิดกับเรานะท่านฟังเกิดกับเขาก็ขาหนึ่งแล้วเราทําตามที่เขาบอกเราบอกให้ทําทำไม่ดีเนี่ยเราทําตามที่เขาบอกเราไม่ดีด้วยซ้า <s> ถ้าเราทําไม่ดีปุ๊บเนี่ยไอบาปกรรมเกิดขึ้นที่เราใช่ไหมบาปกรรมเกิดขึ้นที่เราปุ๊บ คุณหวังได้เลยนะไอส้สัดส่วนของความภาษาที่น่าพอใจและภาษาที่ไม่น่าพอใจไอ้ภาษาที่ไม่น่าพอใจก็จะมากขึ้นนะไอ้ไอผลที่ให้ ป, ใปัจจุบันแป๊ บ, ปบเดียวอาจจะเออเรามีเงินมีความสุขมากขึ้นนิดๆหน่อยนั่นคือผลที่คุณอาจจะเห็นได้ในปัจจุบันอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะมันเหมือนไอ้ของยาพิษที่เขาฉาบทาเคลือบวหวานๆเอาไว้แต่ลิ้นดูปิ๊บปินะมันหวานอยู่แต่ข้างในเป็นพิษเราต้องดูให้ดีเต็งฝั่ง บางสิ่งบางอย่างเนี่ยในโลกปัจจุบันก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะดีไม่ดีมันก็มีนะ่ะไอ้ความไม่ดีมันยิ่งผันตัวของมันยิ่งกลายมาเป็นเคลือบฉาบหวานๆนะ่อยู่ให้เราเห็นดูๆว่ามันจะดีนะแล้วเราก็มีสติลมหายใจอยู่นะมันวางลงไปนี่ฉันบนรรลุเป็นขั้นนั้นขั้นนี้หรือเปล่าอา้าวคิดไปโน้นหรือเปล่านะ่ะเราทําให้ดีทำเฝังนะ่ะเราต้องรักษากุศลธรรมเราจะบรรลุขั้นไหนถึงขั้นไหนเราไม่รู้ละ เราอาจจะรู้อยู่แต่เราไม่เหินห่างจากการทําความดีแต่ถ้าเราคิดว่าเราบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้แล้วฉันจะหยุดทำํำฉันจะอยู่สบายจิบกาแฟนะจิบน้ําชาแล้วก็อยู่สบายมันไม่ใช่นั่นคือประมาทแล้วไอ้ความดีเนี่ยถ้าคนที่เขาบรรลุจริงๆเนี่ยเขายิ่งจะทําความดีมากขึ้นโดยซ้ําแต่เขาจะเห็นคุณค่าของไอ้ความโชคดีคุณค่าของกายวาจาใจอันเป็นสุจริตสิ่งที่บริสุทธิ์ที่เขาทํา ยิ่งจะต้องรักษาไว้ยิ่งต้องทำให้มากขึ้นเอามาเช็ดถูขัดล้างทำความดีให้ดีจริงๆเค้เาจะทำอย่างนั้นด้วยซ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกายมีปากมีใจด้วยเราใช้กายใช้ปากใช้ใจของเราเนี่ยทำสิ่งที่ดีให้ชีวิตของเรามันโชคดีขึ้นมาจฟังชีวิตของเราโชคดีขึ้นมาแล้วภาระที่น่าพอใจจะมีมากขึ้นภาระที่ไม่น่าพอใจก็จะลดลงไปตามส่วน ช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นตรงนี้มันแล้วแต่คนนะมันแล้วแต่ค น, น, ค อ, อ, ยคาานอยู่ที่ว่าคุณทําอะไรอยู่ที่ว่าคุณทําวาระไหนอยู่ที่ว่าคุณทําเมื่อไหร่อยู่ที่ว่าคุณทํามานานแล้วหรือยังแต่ไม่ว่าเราจะทํากับใครทําเมื่อไหร่ทํามานานแล้วหรือยังปัจจุบันนี้เราก็ต้องทําเราเลิกละเว้นไม่ได้เลยท่านฟังทําอย่างนี้แหละคือการปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้แหละปฏิบัติได้ตลอดเวลาปฏิบัติอย่างนี้แหละสิ่งแวดล้อมในรอบๆตัวเราก็จะดีขึ้น มันเริ่มจากตัวเราดีขึ้นทำฝั่งนะครอบครัวเราดีขึ้นครอบครัวอาจจะยังไม่ดีขึ้นแต่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนอะไรต่างมันก็ค่อยดีขึ้นความโชคดีจะไปกับเราทุกๆที่ไม่ว่าเราจะเหยียบย่างไปที่ไหนณก้าวขาไปในที่ใดณที่นั้นจะเป็นที่ที่ไม่เหินห่างจากที่ที่ไปของบิดาของเราเลยไม่เหินห่างจากที่ที่พระเจ้าเสด็จดำเนินมาแล้วไม่เหินห่างจากที่ที่เราปจเจจพระเจ้าเราอริยสาวกพาเดินไป นั่นคือที่ที่เป็นสติปัฏฐานสี่ทาน 4, ทฟังแล้วนะเรามีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตเจริญสติอยู่แล้รู้ลมหายใจไปด้วยณนะที่นั้นชื่อว่าเป็นที่ที่พ่อของเราเคยดําเนินมาแล้วนะเป็นทางที่ดําเนินมาแล้วเป็นผู้ดําเนินไปแล้วด้วยดีเป็นผู้โชคดีนั่นเองท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะสื่อสารกับทางข้าพเจ้าหรือว่าทีมงานก็ส่งมาได้ purethama.com p u r e d h a มมหรือว่าถ้าส่งทางจดหมายไปรษณียบัตรก็ที่เลขที่1หมู่8วัดบ่าดอนไาโซตําบลดอนไาโซอํเาเภอหนองอานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็4ี่หนึ่งหมศูนจะมาให้ที่ทำฟังที่ไหนที่เราทําดีพูดดีคิตินั่นคือที่ที่ดีเราไปที่นั่นดีทันทีนั่นคือความโชคดีแล้วมีความโชคดีอยู่ในใจอยู่กับกายของเราอย่างนี้ ภาษาใดๆที่จะเกิดขึ้นพอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามเราต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีใจอยู่กับความโชคดีของเราเชื่อไห